อีกประการหนึ่งชื่อว่าเป็นผู้มีสติเพราะเว้นจากความเป็นผู้ไม่มีสตินะนี่วอนนั่นแหละเป็นพวกไม่มีสตินะจะต้องเว้นพวกนี่วอนเป็นต้นซะเพราะเป็นผู้กระทำทำทั้งหลายที่ควรทำด้วยสตินะก็การปฏิบัติธรรมการเจริญอริยมรรคนี่แหละที่ต้องทำด้วยสติเพราะเป็นผู้กำจัดธรรมอันเป็นปฏิปักษ์ต่อสติคือความหลงลืมสติเป็นต้นเพราะเป็นผู้ไม่หลงลืมธรรมอันเป็นนิมิตแห่งสติ ธรรมที่เป็นนิมิตแห่งสติก็คือกายเวทนาจิตธรรมเนี่ยนะถือว่าเป็นนิมิตเป็นอารมณ์ของสติเรียกว่ามีสติโดยเหตุสี่อีกประการหนึ่งชื่อว่าเป็นผู้มีสติเพราะเป็นผู้ประกอบด้วยสติเป็นผู้อยู่ด้วยสติเป็นผู้คล่องแคล่วด้วยสติเป็นผู้ไม่หวนกลับจากสติเรียกว่าเป็นผู้มีสติโดยเหตุสี่ อีกประการหนึ่งเนี่ยนะชื่อว่าเป็นผู้มีสติเพราะเป็นผู้ระลึกได้เพราะเป็นผู้สงบเพราะเป็นผู้ระงับเพราะเป็นผู้ประกอบด้วยธรรมะของสัตบุรุษนะเชื่อว่าเป็นผู้มีสติเพราะพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติศลานุสติจาคานุสติเทวตานุสติอาณาปานสติมรณาสติกายคตาสติอุปสมานุสติ เรียกว่าผู้มีสติฉนั้นการที่จะมีสตินี้มีแนวทางที่จะให้เจริญสติอย่างมากอ่ะนะเพราะฉะนั้นถ้าใครที่ปรารภที่จะเจริญสติก็ดูข้อความที่กล่าวไปทั้งหมดหรือปฏิบัติตามแนวข้อความที่กล่าวไปนี่แหละเป็นเหตุให้มีสตินะนะมันตัวสติก็คือความระลึกความระลึกถึงความระลึกเฉพาะความระลึกกิริยาที่ระลึกความทรงจําความไม่เลื่อนลอยนะไม่เลื่อนลอยไม่เลอะเลือนเนี่ยนะไม่เลอะเทอะ ความไม่หลงลืมสติสตินสีสติพระสัมมาสติสติสัมโพชฌงเอกยนมักนี้เรียกว่าสติบุคคลเป็นผู้เข้าใกล้เข้าชิดเข้าถึงเข้าถึงพร้อมเข้าไปถึงเข้าไปถึงพร้อมประกอบด้วยสตินี้บุคคลนั้นเรียกว่าเป็นผู้มีสติเนี่ยนะก็ปฏิบัติตามดังกล่าวไปนี่แหละทาให้เป็นผู้มีสติถามว่ามีสตินี่มียังไงก็มีตลอดการทุกเมื่อให้มีอย่างนี้ให้ตลอดเวลา อย่างน้อยก็ว่าให้เป็นไปกับสติอย่างใดอย่างหนึ่งให้ได้ถ้าเจริญสมถะ น, นะต้องเป็นไปกับอนุสติให้ได้ถ้าไม่เป็นไปกับอนุสติถ้าจะเป็นวิปัสสนาก็น้อมใจไปในวิปัสสนาให้ได้คําว่าพึงศึกษาศึกษาก็คือศิกขาสามนะสิกขาสามก็อธิศีลสิกขาอธิจิตตสิกข า, กาและอธิปัญญาสิกขาอธิศีลสิกขาเป็นไนะที่สูในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีศีล เป็นผู้สำรวมด้วยปาติโมขสังวรถึงพร้อมด้วยอาจาระและโคจรนเห็นภายในโทษมีประมาณเล็กน้อยสมาทานศึกษาอยู่ในศิกขาบททั้งหลายศีลขันน้อยศีลขันใหญ่ศีลเป็นที่ตั้งเป็นเบื้องต้นเป็นเบื้องบาทเป็นความสำรวมเป็นความระวังเป็นปากเป็นประธานแห่งความถึงพร้อมด้วยกุศลธรรมทั้งหลายนี้เรียกว่าอาธิศีลสิขา ศีลเนี่ยสำคัญมากนะเป็นศิกษาเบื้องต้นเลยแหละเป็นศิกษาที่เป็นบาตรเป็นความเป็นปากเป็นประธานถ้าหากว่าไม่มีศีลเป็นประธานและกุศลธรรมทั้งหลายคือสมถามวิปัสสนาก็ถึงพร้อมไม่ได้หรือเกิดไม่ได้นั่นเอง อธิจิตตสิกขาเป็นไงพิกูนในธรรมวินัยนี้สังกัดจากกรรมสงัดจากอากุศลธรรมบรรลุปฐมฌานมีวิตกมีวิจารณ์มีปีติและสุขเกิดแต่วิเวกอยู่อันปฐมฌานก็เป็นอธิจิตตสิกขาบรรลุทุติยฌานมีความผ่องใสแห่งจิตในภายในเป็นธรรมะเอกผุดขึ้นไม่มีวิตกไม่มีวิจารณเพราะวิตตกและวิจารณ์สงบไปมีปีติและสุขเกิดแต่สมาธิอยู่ ทุติยฌานก็เป็นอธิจิตตสิกขาเพราะปีติสิ้นไปจึงมีอุเบขามีสติสัมปชัญญะเนี่ยนะสเสวยสุขด้วยนามากายบรรลุ ต, ตัตยฌานที่พระอริยะทั้งหลายสรรเสริญว่าผู้ได้ฌานนี้เป็นผู้มีอุเบขามีสติอยู่เป็นสุขบรรลุจตุทฌานไม่มีทุกข์ ไม่มีสุขเพราะละสุขละทุกข์และดับโสมนัตโทมนัสก่อนๆได้มีอุเบกขาเป็นเหตุให้สติบริสุทธิ์อยู่นี้ชื่อว่าอธิจิตตสิกขาดัานั้นจะตุะชานสี่นะปฐมฌานทุติยฌ า, านตติยฌ า, านเจตุทะฌานฌานทั้งสี่นี้เรียกว่าเป็นอธิจิตตสิกขาันผู้ที่ได้ฌานสีนี่นะได้ฌานสี่ยังแง่น้อมจิตไปเพื่อเจริญปัญญานี่ยากไหม ไม่ยากนะนะถ้ามีความเข้าใจในเรื่องปัญญาเป็นอย่างดีแล้วก็สามารถที่จะอบรมที่ปัญญาอาทิปัญญาศิกษาเป็นไฉนภิษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีปัญญาประกอบด้วยปัญญาอันให้ถึงความเกิดคือปัญญาที่ให้รู้ความเกิดและรู้ความดับนะนความเกิดแห่งขันหาโดยอาการ25ิความดับแห่งขันห้าโดยอาการ25้เนี่ยนะนะการรู้ความเกิดความดับเหล่านี้แหละ เป็นอริยะชำแรกกิเลสให้ถึงความสิ้นทุกข์โดยชอบพิสูจนนั้นย่อมรู้ชัดตามความเป็นจริงว่าเนี่ยนะคือถ้ารู้ความเกิดความดับอย่างถูกต้องต้องน้อมไปแทงตลอดวันนี้ทุกนี้เหตุให้เกิดทุกนี้ความดับทุกข์นี้ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกก็ต้องเห็นอริยสัจถ้ารู้อริยสัจจริงก็ต้องวิเคราะห์กิเลสได้วันนี้อาสวะนี้เหตุให้เกิดอาสวะนี้ความดับอาสวะ นี้ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับอาสวะถังเกตดูนะครับท่านมีการวางโครงสร้างโดยลําดับที่ชัดเจนมากถ้าเกิดการตรัสรูธรรร้ธรรมบรรลุธรรมจะต้องเป็นไปตามนี้คือรู้ความเกิดความดับด้วยอาการห้าสิบเนี่ยนะถ้ารู้ความเกิดความดับด้วยอาการห้าสิบจริงก็ต้องเป็นไปเพื่อเห็นอริยสัจถ้ารู้อริยสัจจริงก็ต้องรู้กิเลสรู้เหตุเกิดของกิเลสความดับของกิเลสข้อปฏิบัติแห่งดับกิเลสได้จะต้องเข้าใจแบบนั้นนั่นคือว่า สิกขาสเนี่ยนะอธิบายว่าคำว่าภิกษุพึงเป็นผู้มีสติศึกษาเพื่อกําจัดซึ่งตัณหาเหล่านั้นในการทุกเมื่อความว่าภิกษุพึงศึกษาอธิศีลบ้างเนี่ยนะพึงศึกษาอธิจิตบ้างพึงศึกษาที่ปัญญาบ้างเมื่อนึกถึงสิกขาทั้งสามนี้ก็พึงศึกษาเรียกว่าก็ชื่อว่าสิกขาเนี่ยนะนึกถึงสิกขาเหล่านี้บ่อยเมื่อรู้รู้สิกขาสามนี้ก็ชื่อว่าสิกขาเมื่อรู้ก็เห็นคือ พิจารณาเห็นอย่างนี้ก็ชื่อว่าศึกษาเมื่อพิจารณาสิกขาทั้งสามไปก็ชื่อว uh uh ่าสิกขาเมื STALK ่อตั uh ้งจิตก็นะเมื่อที่ฐานจิตหรือตั้งจิตนี้ก็ชื่อว่าสิกขาเมื่อน้อมใจไปด้วยศรัทธาก็เพึงศึกษาเมื่อประกอบความเพียรก็พึงศึกษาเมื่อเข้าไปตั้งสติก็ชื่อว่าศึกษานะหรือว่าชื่อว่าสิกขาเมื่อตั้งจิตก็ชื่อว่าสิกขาเมื่อรู้ชัดด้วยปัญญาก็ชื่อว่าสิกขาทน อบรมอินทรีย์หเนี่ยนะอบรมศรัท ธ, ธาวิริยะสติสมาธิปัญญาก็ชื่อว่าเป็นไ ป, นปนตามแนวตรายศิขาเมื่อรู้ยิ่งธรรมะที่ควรรู้ยิ่งเมื่อกําหนดรู้ธรรมะที่ควรกําหนดรู้เมื่อละธรรมะที่ควรละเมื่อเจริญธรรมะที่ควรเจริญเมื่อทําให้แจ้งธรรมะที่ควรทําให้แจ้งก็ชื่อว่าศิกขาหรือชื่อว่าศึกษาด้วยนะทั้งอภินัยธรรมเนี่ยนะอภินัยธรรมก็คือยาตะปริญญาเนี่ยนะปริญญยธรรมก็คือ ตีระนปริญญาปหาตปธรรมก็คือปหาณาปริญญานะถ้าทำปริญญาจริงก็จะทำให้แจ้งทำที่ควรทำให้แจ้งจเจริญทาที่ควรเจริญเพราะฉะนั้นประพฤติประพฤติเอื้อเฟื้อประพฤติฤตด้วยดีสมาทานประพฤตนะิต้องปฏิบัติอย่างนี้แหละเอาจริงเอาจังนะเพื่อกำจัดกำจัดเฉพาะละสงบสละคืนระงับซึ่งตัณหานั้นเพราะฉะนั้นภิกษุพึงเป็นผู้มีสตินะมีสติ ศึกษาคือศิกษาสามเจริญศิกษาสามเพื่อกำจัดตัณหาเหล่านั้นในกาละทุกเมื่อสรุปคาถาที่กล่าวไปเนี่ยนะที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสตอบนะนะต่อพร ะ, ะพระพุทธนิมิตใช่ไหยพระพุทธนิมิตรถามเป็นประโยคคำถามว่าภิกษุเห็นอย่างไรจึงจะไม่ถือด้วยถือมั่นด้วยอุปาทานสี่ในสังขารคือขันห้าในโลกทั้งปวงเนี่ยนะ พระองค์ก็ตอบว่าภิกษุพึงกำจัดบาปธรรม ท, ทั้งปวงคือกิเลส ท, ที่เป็นรากเหง้าแห่งส่วนธรรมะเครื่องเนื่อช้าและอสมิมาณนะด้วยปัญญาก็ตันหายางใดอย่างหนึ่งที่มีณนะภายในภิกษุพึงเป็นผู้มีสติศึกษาคือศิกขาสามเพื่อกำจัดตันหาเหล่านั้นในการทุกเมื่อนะอนนข้อปฏิบัติของผู้ที่มีศรัทธาควรเป็นอย่างนี้เพราะว่าสูตรนี้พระองค์แสดงกับ ผู้ที่มีสัตทินซีหรือว่าเทวดาประเภทศรัทธาจริตเพราะฉะนั้นถ้าเรามีศรัทธาจริตก็เนี่ยพึงกำจัดบาปประทำเนี่ยนะคือกำจัดสมุทั ย, ยศสัตร์ด้วยปัญญาแล้วก็ตัณหาทั้งหมดเนี่ยเจริญสติศขาสามเพื่อกำจัดตัณหาเหล่านั้นตลอดเวลาเนี่ยนะ ทนพระองค์ก็ตรัสสอนต่อไปว่าภิกษุพึงรู้คุณธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งที่เป็นภายในหรือเป็นภายนอกไม่พึงทําความถือตัวด้วยคุณธรรมนั้นนะถ้ามีคุณธรรมนะอย่ามีมานะนะอันนี้สําทับเลยนะถ้า ป, ปฏิบัติตามนั้นแล้วเกิดคุศลเจริญขึ้นมีคุณธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งอย่าไปมีมานะเพราะคุณธรรมเหล่านั้นนะเพราะการทําความถือตัวคือมานะนั้นอันผู้สงบทั้งหลาย ไม่กล่าวว่าเป็นความดับกิเลสพอเกิดคุณธรรมขึ้นก็มีมานะใช่ไหมถ้ามีมานะกิเลสดับหรือยังไม่ดับเลยนะตัวโตกว่าเดิมอีกเนี้นะเพราะฉะนั้นก็ระวังนะอันนี้ก็เตือนไว้ก่อนเหนกันคว่าพิสุพึงรู้คุณธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งที่เป็นไปในภายในอันนีน้ก็คือรู้คุณธรรมของตนอย่างใดอย่างหนึ่งที่เป็นกุศลธรรมหรืออัพพยากระตธรรม กุศลก็เช่นอธิศีน์อธิจิตอธิปัญญาเนี่ยนะสมถะวิปัสนาที่เกิดอยู่ในตัวนั้นเองคุณธรรมของตนเนี่ยเป็นไนะคือภิกษุเป็นผู้ออกบวชจากสกุลสูงบ้างออกบวชจากสกุลใหญ่บ้างออกบวชจากสกุลมีโภกสมบัติมากบ้างออกบวชจากสกุลมีโภกสมบัติยิ่งใหญ่บ้างเป็นผู้มีชื่อเสียงมียศกว่าคฤหัสถและบรรพชิตทั้งหลาย เป็นผู้ได้ปัจจัย4ี่คือจีวณบินธบาศเสนาสนะและกีฬานะปัจจัยเภสัชบริขารถ้าเกิดว่าโดยปกตินะผู้ที่ออกบวชจากตระกูลสูงตระกูลใหญ่เป็นต้นเนี่ยก็จะมากไปด้วยปัจจัยสี่ก็จะมีชื่อเสียงเป็นต้นหรือถ้าไม่เป็นอย่างนั้นก็เป็นผู้ทรงจําพระสูตรทรงจําพระวินยัยเป็นธรรมกถึกเป็นผู้แสดงธรรมก็คือมีความสามารถพิเศษสามารถเรียนพระไตรปิฎกได้อย่างแตกฉานทรงจําได้หมดอย่างไงหรื อ, อนะปฏิบัติเคร่งครัด คือสมาทานทูดงอ่ะนะไม่ว่าจะเป็นอยู่ป่าเป็นวัดเห็นไเที่ยวบินธบาดเป็นวัดถือผ้าบางสกุลเป็นวัดทรงไตรจีวลเป็นวัดเที่ยวบินธบาตตามลําดับตรอกเป็นวัดไม่ฉันพัดในหนหลังเป็นวัดไม่นอนเป็นวัดอยู่ในเสนาสนะป่าเสนาสนะที่เขาจัดให้เป็นวัดเนี่ยนะเรียกว่าเพืชขัดเกลามากด้วยอํานาจทูดงหรือว่าภาคเพียรพยายามจนได้ปฐมฌานทุติยะฌานตติยะฌานจตุตฌาน เรียกว่าได้รูปฌปานหรือได้รูปฌานคืออากาสาอาการสารัญจายตนะวิญญาณัญจายตนะอากินจัญญาญตนะเนวสัญญาณาสัญญาญตนะคุณธรรมเหล่านี้เรียกว่าคุณธรรมของตนโดยสรุปก็คือออกบวชจากตระกูลใหญ่ใช่ไหมเมื่อออกบวชจากตระกูลใหญ่ก็มีชื่อเสียงเมื่อมีชื่อเสียงก็ได้ปัจจยัย4ี่เพราะอะไรเพราะมีความสามารถทรงจําพระไตรปิฎกหรือประพฤติขัดเกล้าด้วยการรักษาทุดง เมื่อรักษาทุดงอย่างนั้นภาคเพียรพยายามได้รูปประชานสี่อรูปประชาน4ี่อย่างนี้แหละเรียกว่าคุณธรรมของตนภิกษุพึงรู้รู้ทั่วรู้ชัดรู้แจ่มแจ้งแทงตลอดซึ่งคุณธรรมของตนอย่างใดอย่างหนึ่งที่เป็นภายในที่เป็นภายในคือคุณธรรมของตัวเองนะภาคเพียรเจริญแล้วได้อย่างนี้หรือคุณธรรมภายนอกคือคุณธรรมของอุปชัยะหรือของอาจารย์ เรียกว่าได้อาจารย์ดีอาจารย์เก่งนะอาจารย์ที่ออกบวชจากตระกูลใหญ่เป็นต้นอาจารย์ที่มีชื่อเสียงอาจารย์ที่มากไปด้วยลาบสการะอาจารย์ที่มีความสามารถจำพระไตรปิฎกหรืออาจารย์ที่แร่งครดในทุดงอาจารย์ที่ได้รูปรรประชานอรูปประชานนะัเรียกว่าคุณธรรมภายนอกของอาจารย์เนี่ยนะหรือของอุปชาคําว่าไม่ถือเพ่งทําความรุนแรงด้วยคุณธรรมนั้ น, น, นนะก็เรียกว่าอย่าอย่ามีมานะ ด้วยคุณธรรมนั้นนะความว่าภิกษุไม่พึงทําความรุนแรงคือไม่พึงทําความกระด้างไม่พึงทําความถือตัวไม่พึงทําความเย่อหยิงไม่พึงทําความจองหองด้วยคุณธรรมของตนหรือด้วยคุณธรรมของคนเราอื่นนะอย่ามาเอาคุณธรรมของอุปช า, าจารย์เป็นต้นมาอวดอ้างก็เหมือนกับสมัยนี้นะเช่นบางคนมียศตําแหน่งนะรู้ว่ารู้ไหมว่าเราเป็นใครอย่างเงี้ยนะนี่อย่างหนึ่นไงไอีกอย่างหนึ่งก็บอกเราเนี่ยเด็กของใครอย่างงี้ยนะ ลักษณะนั้นอย่าไปมีมานะถือตัวจองหองแบบนั้นไม่พึงให้เกิดความถือตัว น, น, นะนะไม่พึงให้ความถือตัวเนี่ยเกิดด้วยคุณธรรมนั้นไม่พึงเป็นผู้กระด้างจองหองหัวสูงด้วยคุณธรรมนั้นฉะนั้นจึงชื่อว่าไม่พึงทําความรุนแรงด้วยคุณธรรมนั้นนะบางคนเนี่ยเรื่องมากเลยนะมีปัญหาเพราะอาศัยคุณธรรมเหล่านี้คําว่าเพราะทําความรุนแรงนั้น athlete. คือเพราะมานะนั้นนะ น, นะอันผู้สงบทั้งหลายกล่าวว่า อันผู้สงบทั้งหลายไม่กล่าวว่าเป็นความดับกิเลสความว่าการกระทําความรุนแรงคือมานะอย่างที่กล่าวไปนั้นอันพระพุทธเจ้าพระพุทธสาวกพระปัิเจกพระพุทธเจ้าผู้เป็นสัตบุรุษไม่กล่าวไม่พูดไม่บอกไม่แสดงไม่บัญญัติไม่แต่งตั้งไม่เปิดเผยไม่จำแนกไม่ทําให้ตื้นไม่ประกาศว่าเป็นความดับกิเลสนะเพราะขณะที่มีมานะเกินจะไปดับกิเลสอะไรนะยิ่งคนมีมานะก็ยิ่งกหือ กำเริบเสพสารมากยิ่งขึ้นยิ่งขึ้น